สัด่วนความสัมพันธ์แบบไหนมีอยู่ในใจมากที่สุดความรู้สึกก็ตกค้างอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือจากกันไปแล้วคนคนเดียวอาจให้ความรู้สึกได้หลากหลายนักคืออาจเป็นได้ทั้งคนรักทั้งเนื้อคู่ทั้งคู่ครองทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนทั้งศัตรูทั้งคนเชียร์ทั้งคู่แข่งทั้งครูทั้งสิท์ทั้งนายทั้งลูกน้องทั้งเจ้านี่ทั้งลูกนี่ ทั้งพ่อทั้งแม่และอื่นๆความสัมพันธ์เกิดขึ้นหลากหลายเสมอไม่ว่าคุณจะรู้จักคบหาหรืออยู่ร่วมกันกับใครฐานะหนึ่งๆเข้ามาอยู่ในใจได้ด้วยพฤติกรรมซึ่งก็คือวิธีที่แต่ละฝ่ายพูดเข้าหูกันกระทำต่อกันพูดง่ายๆว่าใครจะเป็นอะไรได้บ้างสำหรับใจคุณก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาหรือเธอ ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรได้บ้างไม่ใช่พยายามอุปโลกให้เป็นอะไรขึ้นมาบ้างแต่ละความรู้สึกแยกเป็นต่างหากจากกันการเป็นคนรักคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกฝันๆันห ว, วานหวานการเป็นเนื้อคู่คือทําให้อีกฝ่ายรู้สึกคุ้นกันมานานการเป็นคู่ครองคือทําให้อีกฝ่ายรู้สึกร่วมกันใช้ชีวิตการเป็นพี่ คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอ่อนอาวุโสกว่าการเป็นน้องคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอาวุโสกว่าการเป็นเพื่อนคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคอยผลัดกันช่วยเหลือการเป็นศัตรูคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคอยซ้ำเติมกันการเป็นคนเชียร์คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเกิดกำลังใจการเป็นคู่แข่ง คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอยากเอาแพ้เอาชนะการเป็นครูคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ารู้เข้าใจเข้าถึงอะไรอะไรเพิ่มการเป็นสิทธ์คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบอกสอนการเป็นนายคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกยำเกรงจนตัวรีบเล็กลงการเป็นลูกน้องคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหนือกว่า จนตัวใหญ่ขึ้นการเป็นเจ้าหนี้คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนต้องคอยชดใช้การเป็นลูกหนี้คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนต้องตามทวงคืนการเป็นพ่อคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองการเป็นแม่คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับ ก, ก, การดูแลยิ่งเป็นอะไรในทางบวกได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ยิ่งเป็นอะไรในทางลบมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกเป็นอื่นแห้งแลง้งฝืดฝืนมากขึ้นเท่านั้นสัดส่วนความสัมพันธ์แบบไหนมีอยู่ในใจมากที่สุดความรู้สึกก็ตกค้างอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือจากกันไปแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมบางคู่เลิกกันยังคุยกันดีแต่บางคู่เลิกกัน ก็กลายเป็นอื่นไปเลยคุยกันไม่ได้เลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมที่ทําร่วมกันทั้งวิธีที่กระทําต่อกันวิธีที่พูดต่อกันตลอดจนกระทั่งวิธีที่แอบคิดแอบรู้สึกต่อกันอยู่ลับๆด้วย